ผู้คลายเหยื่อตามแบบของเสนนิทานที่จะเล่าต่อไปนี้เชื่อว่าคงมีบางคนฟังแล้วอาจร้องฮีเพราะไม่อยากจะเชื่อว่าผู้บรรลุธรรมทำไมลดตัวไปทำถึงอย่างนั้น หรือนึกว่าไม่มีอะไรจำเป็นที่ต้องไปลดปราคาค่าตัวลงถึงอย่างนั้นบางทีอาจถึงกับนึกไปว่าระสาลัท ธ, ธิเซนคงจะแผงแผงเช่นนั้นกระมังแต่ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าคุณบทพระอรหันต์อย่างนี้ก็มีพูดถึงเหมือนกันในฝ่ายเทรวาทเราได้แก่ลักษณะที่ว่าอปปเมโย เป็นผู้ที่มีอะไรอะไรอันใครประมาณไม่ได้ขอเชิญท่านลองอย่างประมาณท้ายความมุ่งหมายของอาจารย์เซนองค์นี้ดูสมัยหนึ่งท่านทยานอาจารย์ชื่อโตสุยเป็นอาจารย์ผู้หนึ่งที่เป็นที่นับถือกราบไหว้รู้จักกันไปทั่ว หลายแขวงหลายเขตจังหวัดเพราะท่านมีแต่เดินทุ่ดงเที่ยวแสดงทมไปเรื่อยๆไม่อยู่ติดวัดติดถิน่นแม้ใครๆจะเอื้อเฟื้อเกือเก้อหนุนให้ท่านได้รับความสะดวกสบายพยายามยกย่องนัวงท่านให้อยู่ประจําไว้เพื่อประโยชน์แก่ชนในถิ่นนั้นๆแต่ท่านก็หาได้อยู่ที่ไหนเป็นที่ใหม่เมื่อไปประกาศพระธรรมที่ไหนนาน พอมีคนแตกตื่นเลื่อมใสห้อมล้อมติดพันท่านก็ย้ายไปที่อื่นเสียทีหนึ่งท่านใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้นานมาในระยะต่อมาได้มีการโจดขานานถามกันขึ้นในหมู่มหาชนว่าท่านหายไปไหนไม่ได้แวะเวียนมาสั่งสอนธรรมอย่างแต่ก่อนอีกเลยจึงได้มีการสอบถามไต่สวนกันขึ้น ว่ามีใครพบท่านครั้งหลังที่สุดณที่ใดก็ได้เรื่องมาว่าที่วัดสุดท้ายที่ท่านได้ไปประจำสั่งสอนธรรมะนั้นคือวัดหนึ่งทางฝ่ายใต้และได้เล่าว่ามีวันหนึ่งท่านได้เรียกชุมนุมบรรดาอุบาสกอุบาสิกาเหล่าสาวกมากหลายให้มาพร้อมหน้าเพื่อแสดงธรรมเมื่อแสดงแล้วท่านก็อแถมท้ายประกาศขึ้นว่า นับแต่นี้ต่อไปฉันจะขอหยุดการแสดงธรรมด้วยปากโดยเด็ดขาดพวกเธอทั้งหลายใครจะแยกย้ายไปอยู่เสียที่ไหนก็ตามใจจากนั้นตัวท่านเองก็ไม่ได้มีใครล่วงรู้ว่าท่านได้ไปอยู่เสียที่ไหนท่านไม่ทิ้งร่องรอยไม่มีอะไรไว้กับใครหรือสิ่งใดเที่ยวไปไม่มีใครทราบตั้งแต่นั้น การเวลาได้เนินนานมาถึงสมปีเนื่องจากท่านมีคนที่อ้างตัวว่าเคยเป็นสิทธิ์ของท่านมากมายหลายจังหวัดฉะนั้นสิทธิ์ไม่คนใดก็คนหนึ่งต้องซอกแซกไปพบท่านเข้าจนได้รายนี้ก็เช่นว่าคือไปพบท่านโดยบังเอิญแต่พบท่านในสภาพที่อยู่ปนเปไปกับพวกขอทานในเมืองเก่าคือเมืองเกียวโต มีเหลือใต้สะพานเก่าๆแห่งหนึ่งเป็นที่พำนักอาศัยเมื่อสิทธ์คนนั้นเจออาจารย์เข้าดังนั้นก็ยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งสุดลงกราบขอฝากตัวอยู่ด้วยท่านอาจารย์จะได้ช่วยโปรดให้เห็นธรรมบ้างกราบแล้วกราบอีกท่านอาจารย์โตซุยมองสิทธิ์แล้วก็เฉยอยู่นานจะให้อยู่ด้วยหรือไม่ก็ไม่ปฏิเสธและไม่บอกรับ เพียงแต่กล่าวขึ้นในที่สุดว่าเธออยากอยู่ก็ลองอยู่เสียก่อนสักวันสองวันดูซิหากเห็นว่าอยู่อย่างฉันนี้ได้ฉันก็ไม่ว่าดังนั้นสิผู้นั้นจึงเปลี่ยนเครื่องนุ่มห่มเสียใหม่ให้แมนแมนไปทางคนขอทานใช้ชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งไปกับท่านอาจารย์ท่านทําอะไรอยู่อย่างไรก็ติดสอยห้อยตาม ปฏิบัติตัวเหมือนทันตลอดเป็นการบังเอิญแท้ๆที่ต่อมาอีกวันเดียวเกิดมีขอทานที่อยู่ใต้ลืบสะพานเดียวกันล้มป่วยตายลงหลังจากไปเที่ยวขอทานมาแล้วฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของอาจารย์กับสิทธิ์ต้องช่วยกันจัดการคือต้องรอคอยให้ถึงกลางคืนเสียก่อนในตอนดึกๆจึงค่อยช่วยกันยกซากศพนั้น ลําพังสองคนอุ้มบังหามบังพักไปตลอดทางเพราะต้องนำไปฝังที่ใกลๆ้ๆภูเขาทางฝั่งข้างโน้นทั้งนี้จำกัดเวลาด้วยจะต้องรีบทำให้เสร็จก่อนสว่างก่อนที่จะมีใครมาเห็นเมื่อจัดการอะไรเสร็จทั้งอาจารย์และศิษย์ก็ได้กลับมายังหลบใต้สะพานในคืนค น, นั้น พอกลับถึงท่านอาจารย์โตซุยล้มลงนอนพักอย่างแสนจะสบายเหมือนดังไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนสิทธ์กลับมาแล้วแม้จะดึกค่นรุง่งทั้งเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสก็ไม่อาจหลับลงได้นอนพลิกไปพลิกมาไม่กล่าวว่าอย่างไรจนตลอดรุง่งพอฟ้าสางได้อารุณของวันใหม่สิทธ์เห็นอาจารย์ตื่นขึ้นอย่างทุกวัน จึงคอยอาจารย์เตรียมที่จะออกไปให้พ้นไปจากหลืบมืดมืดอันชื้นแฉะใต้สะพานนี้เสียไปเที่ยวพิกขาจา์อย่างวันก่อนแต่อาจารย์กลับหันมาบอกสิทธิ์ว่าเออวันนี้ดีเราสองคนไม่ต้องออกไปขอทานก็ได้อาหารที่คนตายนั้นเขาขอมาเมื่อวานยังเหลืออยู่ที่นั่นไงเอามากินกันเถอะว่าแล้ว อาจารย์ก็ไปเขีย่ยเขียและแบ่งสวนให้สิทธิ์แล้วตัวเองก่อนนั่งกินเอากินเอาส่วนสิทธิ์คนนั้นตกในฐานะลำบากหน้าเบะกระอักกระอ่วนกลืนเข้าไปไม่ได้สักคำท่านอาจารย์จึงกล่าวขึ้นว่านั่นไงฉันว่าแล้วฉันว่าแล้วเธอไม่สามารถอยู่อย่างฉันได้หรอกนะเชื่อเธอ อย่างนั้นเธอไปได้แล้วและอย่าพยายามติดตามกวนฉันอีกเลยนิทานก็จบจากเรื่องราวที่เล่ามานี้ทำให้เราท่านนึกเห็นอะไรดีๆขึ้นมาอย่างหนึง่งเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่คลี่คลายไปตกอยู่ในแดนไกลในนามชื่อว่ามหายานอย่างเซนและเนื่องด้วยสปิริต หรือท่วงทํานองที่เป็นลักษณะเฉพาะเฉพาะตามประสาเซนนี้เองเราจึงมีนิทานทํานองนี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อผลทางการศึกษาธรรมโดยไม่ต้องไปคํานึงข้อกลีกย่อยที่มาจากความใจแคบพูดไหมอีกทีก็ว่าเราต้องทําความนึกคิดให้ใจกว้างไว้ที่จะฟังเรื่องของเขาให้ได้ประโยชน์ คือจะได้ทำความเข้าใจล้วงลึกไปถึงความมุ่งหมายให้สมกับที่เป็นเรื่องจริงที่เราเล่ากันมาข้อนี้ข้าพเจ้าต้องการจะชี้ว่าธรรมะนั้นเป็นของสากลต้องตรงกันหมดไม่ว่าที่ไหนแต่เพราะท่านอาจารย์โตสุยผู้นี้เกิดไปลุถึงธรรมนี้เอาในภูมิประเทศเขตของมห ah ายาณ เมื่อเสร็จกิจทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นพอสมควรแล้วท่านก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตที่เหลือไปทำอะไรได้เยี่ยงคนไม่มีทุกข์แต่ท่านก็ทำไปตามสถานะและโอกาสจะอำนวยในที่นั้นนันแม่บางคนจะมองท่านไปในทำนองบ้าหรือแผลงไม่เหมือนกับที่พระอรหันต์องค์อื่นๆเคยทำกันมา นั่นก็นแล้วแต่ใครจะนึกคิดไปแต่ส่วนตัวท่านนั้นไม่เป็นอะไรสิแล้วแม้จะไปตกอยู่ในสภาพใดใครจะมองออกหรือใครจะมองผิดนั่นไม่ใช่เรื่องของท่านท่านถือว่าเป็นความผาสุกในชีวิตที่เหลือของท่านกนแล้วกันอันหนึ่งถ้านึกให้ดีแล้วคนเราเกิดมานี้จะเอาอะไรนักหนาลาสัการะ ชื่อเสียงยศศักดิ์ไมตรีกระทั่งสิ่งที่คนวัดเขาบูชาทูลหัวทูลกล่าวกันนักกล่าวคือความเป็นพระอรหรันตเหล่านั้นมันก็จะอะไรนักหนามันจะมาใช้ทำอะไรได้ในเมื่อเราเองได้เป็นเจ้าของของตัวคือธรรมสวามีสาเร็จภายในตัวของตัวเสร็จแล้ว การปิดฉลากว่าให้เป็นชื่อนั้นชื่อนี้ก็ไม่ได้มีความหมายในความรู้สึกท่านอาจารย์โตสุยเมื่อเห็นว่าสอนก็เฝ่าสอนกันมานานแล้วพูดกันปากเปียกปากแฉะแต่จะมองหาใครที่มุ่งทำจริงจริงก็ทั้งยากมีแต่จะห้อมล้อมเข้ามาให้ใกล้ชิดอาจารย์เขาไวเพื่อผลประโยชน์ความมีหน้ามีตาเป็นต้น ชะรอยท่านจะเห็นท่ามันไปอย่างนั้นเลยปิดฉากตัวเองอย่างนี้ก็ได้ใครจะไปรู้เลยถือเอาหลืบใต้สะพานแทนท้องทรรู้แล้วรู้รอดไปกลายเป็นผู้้ายเหยื่อโลกวันตะโลกามิโสทําตัวเป็นผู้ลดทงกล่าวคือเครื่องเชิดหน้าชูตาเสียได้ปัณันทะทะโช ดำเนินชีวิตไปอย่างผู้ที่มีอะไรอะไรอันใครไม่อาจประมาณประเมินได้อัปเปมยโยดังนี้แต่อย่างไรก็ดีขอให้สังเกตความเป็นอยู่ของท่านโตสุยที่ใช้ชีวิตแบบคนขอทานให้ดีจะเห็นว่าการเลือกดำเนินชีวิตของท่านยังอยู่ในธรรมะ ชื่ออริยวังสะปฏิปทาโดยครบถ้วนคือมีการถือผ้าเครื่องนุ่งห่มเท่าที่จะหาได้บินทบาทพิกขาจารย์เป็นวัดอยู่เสียแห่งใดแห่งหนึ่งที่กันแดดกันฝนสำเร็จประโยชน์ได้ก็พอและมีความมักน้อยสันโดษตามฐานะที่เห็นว่าพออยู่สบายทั้งไม่อวดความที่ตนเองทำได้อย่างนั้นด้วย ข้อท้ายนี้สำคัญคือส่วนมากยังมีคนชอบปอนแต่ยังปรารพจะเป็นอยู่นุ่งห่มปอนปอนเพื่ออวดใครคนอื่นเสียโดยมากสำหรับท่านโตสุยไม่มีอย่างนั้นเพราะธรรมวินัยนี้ไม่ใช่ประสงค์เพื่อให้เขาแห่กันมานับถือเพียงสักว่าประพฤตปอนที่น่าเอ่ยถึงมากที่สุดเกี่ยวกับคุณธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ ในการประพฤติปฏิบัติตัวของท่านโตสุยดังที่เล่ามานี้คือตัวท่านเองได้ทำได้ประพฤติออกมาท่านก็ไม่ใช่จะต้องการให้เกิดเป็นคุณธรรมที่เรียกชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้ธรรมดาผู้ถึงธรรมเมื่อไปเคลื่อนไหวปฏิบัติตัวอย่างไรมันย่อมเรียกอากับกิริยาเช่นนั้นว่าชื่อนั้นชื่อนี้ได้ทั้งนั้น เช่นสวามีวันตโลกามิโสปนันทัทโชอัปปมยโยกระทั่งมีอริยะวังสับปฏิปทาเป็นตน้นที่จริงตัวท่านเองก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุ ณ, ณธรรมที่ท่านมีอยู่นี้เขาเรียกเป็นภาษาบาลีว่าอย่างที่กล่าวมาข้อนี้ทำให้นึกถึงชื่อธรรมะที่เราเรียนเราท่องกันนี้ แท้จริงมันก็เป็นแต่เพียงชื่อยังไม่สําเร็จประโยชน์แก่ผู้รู้แค่ชื่อนอกจากจะนำเอามาประพฤติที่เนื้อที่ตัวจริงๆเสร็จแล้วมันจะเรียกชื่อไปตรงกับข้อไหนนั้นก็ไม่สําคัญอะไรอีกเหมือนลิงป่าไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อผ ล, ลไม้ว่าเขาเรียกชื่ออะไรมันเพียงรู้ว่ากินได้หรือไม่ได้แล้วกินเข้าไป มันก็ยังผลให้อิ่มไปได้เหมือนกันฉะนั้นผู้ที่เรียนชื่อธรรมะจำชื่อธรรมะได้มากมากระวังอย่าให้แพ้ลิงในเรื่องลดตัวเองให้มาเป็นอยู่อย่างง่ายง่ายเช่นท่านโตสุยองค์นี้นั้นเท่ากับท่านคอยแสดงธรรมให้โลกดูเหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นการแสดงด้วยปาก เป็นการทำให้ดูที่เนื้อที่ตัวที่ปฏิปทาของท่านทั้งวันทั้งคืนนั่นเองในอีกแง่หนึ่งก็เป็นการเป็นอยู่ให้คอนทวงไปอีกทางหนึ่งให้พวกมนุษย์เห็นเพราะคนทั้งหลายมีแต่จะหนักไปในทางอามิตรเป็นธาตุของวัตถุอยู่เป็นประจำท่านจึงเป็นอยู่ให้ตรงข้าม ให้เกิดการเห็นได้ง่ายๆว่ามันต่างกับความสงบสุขแท้จริงกันอย่างไรทำไมมนุษย์จึงได้พากันทุกยากเกินกว่าจาเป็นมากนักลาพังกายกับใจที่มนุษย์เป็นภาระบริหารอยู่นี้แท้จริงมันก็ไม่ควรจะซับซ้อนให้เป็นเรื่องยากลำบากมากไปเพราะมนุษย์มีความกลัวและหวงในสวัสดิภาพเกินความพอดี จึงมีการกว้านเอามาเก็บด้วยความโลภประกันความอดตายไว้เสียมากมายจนกลายเป็นการสะสมยิ่งได้มากเท่าไรก็ยิ่งโลภโมโทสันลืมอะไรหมดฉะนั้นทั้งคนบ้านคนวัดไม่ว่าใครหากรู้สึกหนักอึ้งในความเป็นอะไรได้อะไรมีอะไรควรจะนึกทบทวนเสียให้ดี ลองนึกลดฐานะตัวเองดูเช่นใหญ่โตขึ้นมาจนเป็นเจ้าเป็นนายเขาหรือว่าบวชอยู่นานจนกลายเป็นผู้มียศมีตำแหน่งรับภาระมากมันทำให้หนัก อ, อกหนักใจขมแ็งต่ออะไรจนไม่มีความสุขท้องไส้ก็ไม่ย่อยอาหารมกีก็กินไม่ได้ใช้ก็นอนไม่ลงดังนี้แล้ว ควรจะนึกถอดตัวเสียบ้างคนใหญ่คนโตก็ลดตัวเองให้เป็นคนชั้นไพ่เสียบ้างท่านเจ้าคุณหรือสมภารก็ควรลดตัวเองให้มาเป็นเพียงพระลูกวัดตัวเล็กๆดูบ้างจะเกิดความรู้สึกอันใหม่ขึ้นในการนึกเทียบเคียงและจะจับได้ว่าที่มันหนักแปรจนแทบจะเป็นโรคกระเพาะ เป็นความดันโลหิตอยู่นั้นมันมีต้นเหตุมาจากไหนวิธีนึกคิดในเรื่องนี้ก็ควรจะมีหลักนึกว่าชีวิตคนเหล่านี้ที่แท้ควรจะทำกับมันง่ายๆจึงจะถูกวิธีหรือถูกกว่าที่จะไปยักย้ายทำให้เป็นของซับซ้อนส่อนเงินใครก็ตามหากจับหลักทำกับชีวิตจิตใจ ให้อยู่ไปได้อย่างเย็นเย็นได้ความรู้เช่นนั้นแหละเป็นธรรมแม้จะสมมุติว่าเกิดลมหอบเราให้ไปตกในถิ่นฐานใดมีแต่ตัวไม่ได้มีอะไรติดไปเลยถ้าคนนั้นมีหลักในการครองตัวบริหารทุกสิ่งถูกต้องก็จะเป็นอยู่ณนะที่ใดใดได้เท่าเท่ากันและอยู่เป็นสุขสบายได้ เท่าเท่ากับอยู่ในที่อื่นๆทั้งนี้ก็เป็นด้วยมันนึกมันทดสอบตัวเองถามตัวเองทอดตัวเองโดยสมมุติให้เป็นคนที่ถูกล้มหอบมีแต่ตัวอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้ไปสําคัญว่าอะไรเป็นของตัวเช่นนี้จะเป็นวิธีนําออกเสียได้ซึ่งความทุกข์ร้อนทางใจโดยแท้ ทีนี้ทำให้นึกคิดไปอีกว่าหากมีพระอรหันต์ขึ้นในสมัยนี้แล้วท่านมาเจอพวกเราที่กำลังเป็นกันอย่างในโลกปัจจุบันนี้คือกำลังพากันมีจุดสนใจมีอุด ม, มาการไปอีกท่าหนึ่งอีกทางหนึ่งไม่มีวี่แววมาทางที่ท่านจะโน้มจูงมิให้เป็นทาตของวัตถุนิยมเป็นต้น ท่านก็คงจะพยายามไปด้วยแรงเมตตก็ได้ระยะหนึ่งแล้วก็เร่หาไปตามมุมโลกที่ไหนแห่งใหม่อีกเพื่อแน่ใจว่าอาจจะมีคนฟังธรรมของท่านได้ผลแท้จริงบ้างพอเที่ยวไปจบหมดแล้วท่านก็ควรจะมีสิทธิ์หยุดพักของท่านมิใช่หรือและถ้าเป็นพระในพุทธศาสนาอย่างเมืองไทยเรา ท่านก็ไม่ต้องไปทํำซ้ําอย่างกระท่านโตสุยธรรมท่านอาจจะจอดเข้าณที่ใดที่หนึ่งเป็นพระหลวงตาแก่อาศัยอยู่ท้ายท้ายวัดของวัดใดวัดหนึ่งโดยไม่ต้องรับภาระเป็นสมภารอยู่เป็นเพื่อนนกเพื่อนกาเหมือนม้าตัวแก่ที่เขาไม่ใช้งานแล้วปล่อยให้เที่ยวและเล็มญ้าไปทั่วทุกแห่งโดยไม่ต้องมีใครมาสนใจดูแลเลย อย่างนี้พอจะเป็นไปได้อยู่บ้างหรือก็น่านึกดูเมื่อเร่ไปหาผู้ควรจะต้องการแต่เขายังพากันไม่รู้ว่าควรต้องการก็หยุดอยู่กับที่ก็แล้วกันเผื่อใครรู้ว่าตนเองควรต้องการเขาจะได้มาหาเองเมื่อก้าสิบกว่าปีมานี่เองที่อินเดีย ปรากฏว่ามีเด็กคนหนึ่งถือกำเนิดในวันนภาลังพวกฝรั่งที่เข้าไปค้นคว้าปฏิบัติศาสนาสำนักทีโอซพเมืองแอดยาได้เห็นอะไรๆในเด็กคนนี้ผิดจากสามัญเพราะสามารถเข้าใจอะไรลึกซึ้งมีความรู้สึกสูงความคิดความอ่านในการมองอะไรไม่คาดไม่คาดไปตามใคร ฝรั่งคณะนี้เลยช่วยเสริมส่งให้ได้เรียนได้รู้อะไรมากมากขึ้นเพิ่งถึงแก่กรรมไปเมื่อปีพุทธศักราช2529ท่านผู้นี้ชื่อว่ากริศนามูรติซึ่งในเมืองไทยนักศึกษารุ่นใหญ่ก็พากันสนใจคำพูดของคนคนนี้มานานแล้ว แต่ข่าวของคนในทางธรรมเช่นนี้ย่อมไม่ตูมตามไม่มีใครรู้หรือสนใจกี่มากน้อยปรากฏว่าคนคนนี้ก็อีกคนหนึ่งที่มีอะไรแปลกที่สุดฝรั่งคณะที่ช่วยให้เขาได้เรียนสูงสูงขึ้นไปนั้นผลสุดท้ายก็ตามไม่ทันปัญญาทาบกันไม่ได้ธรรมะที่คนคนนี้กล่าวออกมา มันเหนือไม่เห็นเกินกว่าจะจ้างเขาไปเป็นศาสตราจารย์วิชาปรัชญาในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สมัยหนึ่งเขาตั้งหน้าสอนมีสาวกฮือฮากันใหญ่โตจนถึงคิดกันว่าจะตั้งคณะตั้งก๊กกันขึ้นยกยอปอปั้นให้อาจารย์ของตัวขึ้นเป็นศาสดาสอนลัธิใหม่กฤษณามูรติ เห็นท่าไม่ดีจะเป็นการสร้างความยึดมั่นถือมั่นอะไรไปอีกแบบหนึ่งเขาจึงบอกเลิกตัวเองก็หนีเป็นฝ่ายละทิ้งกลุ่มพวกตั้งหน้าจะสมัครเป็นสาวกเขาเที่ยวไปในประเทศต่างๆในแถบที่เห็นว่าเต็มไปด้วยผู้คนที่มีภูมิปัญญาเสร็จแล้วก็ได้พูดได้สอนแต่คนที่พอจะฟังกันได้และได้หมกตัวเองอยู่อย่างเงียบๆ ในประเทศเนเธอร์แลนด์จนกระทั่งเสียชีวิตไปฉะนั้นใครทราบข่าวและได้หนังสือคำสอนของท่านผู้นี้ก็ควรจะแปลและให้ข่าวทราบกันในเมืองไทยบ้างก็จะเป็นกุศลยิ่งเพราะเราถือว่าธรรมะนั้นถ้าเป็นของจริงแล้วแม้จะปิดฉลากว่าเป็นอะไร เนื้อแท้มันก็ต้องกล่าวเข้ามาถึงความเปลืองเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นในอุปทานทั้งนั้นแต่เขาอาจจะมีวิธีกล่าววิธีชักจูงให้เข้าใจมาอีกวิธีทางหนึ่งก็เป็นอันใช้ได้เพราะการแสดงธรรมนี้แม้พระพุทธเจ้าของเราก็ต้องใช้หลายวิธีการตามเนื้อผ้าที่เราจะไปย้อม ถ้าหาพระองค์ไม่ไปเจอสภาพการในอินเดียสมัยนั้นเต็มไปด้วยลัทธิความเชื่ออย่างนั้นแต่สมมุติให้มาเจอแบบสมัยปรมนูซึ่งเต็มไปด้วยวิเคราะห์จิตวิทยาชีววิทยาพลังงานและสัมพัทธวิทยาอย่างนี้พระองค์ก็ต้องพูดสอนโดยตั้งอยู่ในความรู้สมัยนี้เหมือนกันดูเอาเถอทันทั้งหลาย เท่าที่ปรารบและออกความคิดความเห็นทั้งเมืองไทยเมืองนอกทั้งเรื่องที่เกิดมีมาแล้วและน่าจะมีต่อไปข้างหน้านี้ก็มีความมุ่งหมายอย่างเดียวคือเพื่อจะมาปรารบในพวกเรากันเองที่มีอะไรอะไรอย่างเราในสมัยนี้ว่าเราจะมีหลักความนิยมที่ถือกันเป็นชีวิตจิตใจอยู่ในเวลานี้เหมาะ หรือเข้ากันได้กับคำสอนของพระอริยเจ้าหรือหาไม่หากจะเกิดมีพระอริยเจ้าขึ้นมาจริงๆท่านเองจะนึกว่าอาจารย์องค์นั้นพอจะไปไหวไหม ท่านที่เห็นคุณค่าปรารถนาจะจัดทาเป็นธรรมทานโปรดติดต่อได้ที่ธรรมสภาเลขที่หนึ่งทับสถึงหถนนบรมราชชนนีเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครหนึ่งหเจหมายเลขโทรศัพท์ศ2นสอง 441-1535-02-888-7940 ขอได้รับความขอบพระคุณจากใจธรรมสภา